คนต่างมีหน้าที่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทําเฉพาะหน้าที่เท่านั้นเพราะว่าคนใดทําหน้าที่เฉพาะของตัวเองโดยไม่มองไม่แลคนอื่นงานก็ดําเนินไปไม่ได้เพราะเหตุว่างานทุกงานจะต้องพลาดพิงกันจะต้องเกี่ยวโยงกันฉะนั้นแต่ละคนจะต้องมีความรู้ถึงงานของผู้อื่นแล้วช่วยกันทําพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะ6นาฬิกา15นาทีนะคะต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบอกกล่าวเราแจ้งทางคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ วันนี้บอกก่าวแจ้งนะคะอยู่กับดิฉันลมุนกมวลนะคะเจอกันในเช้าวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่3เดือนตุลาคมพุทธศักราช2559ค่ะตรงกับวันขึ้น2ค่าเดือน11ปีวอกนะคะอากาศเช้าวันนี้ถือว่าอากาศดีมากเลยนะคะคุณผู้ฟังอุณหภูมิบอกเอาไว้นะคะว่าวันนี้อยู่ที่23องศาเซลเซียสนะคะสูงสุดอยู่ที่30องศาค่ะ อุณหภูมิวันนี้เมื่อวานนี้นะคะคุณผู้ฟังอยู่ที่ 31.5 องศาเซลเซียสนะคะคุณผู้ฟังถือว่าอากาศพอได้อยู่นะฮะพระอาทิตย์ขึ้นเช้าวันพรุ่งนี้พยากรณ์เอาไว้อยู่ที่ตีห้าห้าสิบหนาทีนะคะพระอาทิตย์ตกเย็นวันนี้สิบเจ็ดนิกาห้าสิหนาทีค่ะ วันนี้พยากรณ์อากาศเอาไว้นะคะคุณผู้ฟังว่าจะมีฝนฟ้าขนองฝน 70% ของพื้นที่คาดหมายลักษณะอากาศในช่วงวันที่2ถึง3 ตุลาคมนะคะยังคงมีวันนี้อยู่นะคะภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกชิงเหนือมีฝนโดยทั่วไปและมีฝนฝนตกหนักบางแห่งส่วนในช่วงวันที่ 4-8 ตุลาคมค่ะภาคเหนือภาคตะวันออกชิงเหนือยังคงมีฝนต่อเนื่องนะคะส่วนในบริเวณภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนหนัก บางแห่งสำหรับกรุงเทพมหาคนครและประิมณฑลยังคงมีฝนตกต่อเนื่องนะคะขอควรระวังค่ะ 4-8 ตุลาคมนี้นะคะบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะ ว, วันออกเฉียงเหนือตอนล่างบ้านเรานะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ภาคใต้ตอนบนก็ขอให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมด้วยนะคะก็แถวๆริมน้ามูลบ้านเราก็เห็นได้ข่าวว่า เริ่มมีน้ำใกล้จะถึงติ่งแล้วใกล้จะท่วมแล้วนะคะก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่3ตุลาคมนะคะมีฝนฟ้าคนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะช่วงวันที่ 4-8 ตุลาคมมีฝนฟ้าคนองร้อยละ 70-80 ของพื้นที่กับมีฝนตกหนัก ถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 23-25 องศาเซลเซียสนะคะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 30-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะนี่คือพยากรณ์อากาศนะคะขอบคุณสำหรับผู้ดูแลหอกระจายข่าวทุกพื้นที่หมู่บ้านตำบล น, นะคะที่ร่วมรับสัญญาณจากสวทบรุริรารรวมทั้งเครือข่ายของสวทบริหาด้วยนะคะที่รับสัญญาณ ทั้งทางคลื่น FM 101-75 m อ z ห้า AM 1น6 8ง h z กิแล้วก็ที่ฟังผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะที่ radio.prd.go.ts บุรีรัมย์และรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือสวทบุรีรัมย์นะคะคุณผู้ฟังขอบคุณจริงๆคะ่ะที่รับสัญญาณเพื่อนำข่าวสารสู่พี่น้องประชาชนคะ่ะเริ่มต้นวันนี้ด้วยวาระงานของผู้บริหารนะคะคุณผู้ฟัง วันนี้ค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์นะคะท่านก็เดินทางมาตั้งแต่ืวาว่าวันที่หนึ่งแล้วนะคะพี่น้องประชาชนเราก็ไปทำการต้อนรับกันนะคะอุณา fa ข้างเลยทีเดียวต้อนรับกันแบบอบอุ่นนะคะในวันนี้ค่ะท่านก็จะ ออกสการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในจังหวัดบุรีรัมย์นะคะและก็ปฏิบัติราชการตามปกตินะคะที่สารกลางจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์นพระภัฒรักษาทราบข่าววันนี้ส0บนาฬิกานะคะร่วมประชุมเตรียมการรับผู้แทนพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารนะคะที่ท่าอากาศยานบุรีรัมย์อำเภอสตึกค่ะและก็ร่วมประชุมสำรวจพื้นที่นะคะที่ห้องประชุมเบญจการชั้น5มหาวิทยาลัยราชพัฒบุรีรัมย์นะคะ เริ่มต้นข่าวสารวันนี้ด้วยถแถลงการสํานักพระราชวังนะคะที่ออกถแถลงการเมื่อวันที่หนึ่งตุลาคมสองพหร้อยห้าสิบเก้าค่ะเรื่องประบาดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จประทับณโรงพยาบาลสิริราชน ะ, ะฉบับที่สามสิบหกนะคะวันนี้คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รายงานพระอาการระหว่างวันที่12กันยายน2559ถึง1ตุลาคม2559ว่าได้ถวายการตรวจติดตามพระอาการหลังจากการอักเสบของพระปราษาหรือปอดลดลงแล้วโดยการถวายตรวจเอ็กซเรย์พระปราษาเป็นระยะไม่พบลักษณะของการอักเสบแต่มีพระป ร, ะรอดหรือไขต้ต่ำๆเป็นครั้งคราวผลการตรวจพระโรหิตไม่บ่งชี้ว่ามีการอักเสบติดเชื้อ จึงได้หยุดการผวายพระโอสถปฏิชีวนะต่อมาในระหว่างวันที่ 28-29 กันยายน2559มีพระประรอดไขต้ต่ำๆพระชีพจรเริ่มเร็วขึ้นหายพระไทยเร็วและมีพระเสมหะมากผลการตรวจพระโล uh หิตบ่งชี้ถึงการอักเสบติดเชื้อผลเอ็กซเรย์ของพระปรับภาษาหรือว่าปอด พบลักษณะของการอักเสบของพระปรับภาสะด้านซ้ายและพบว่ามีน้ำข้างในช่องเยื่อหุ้มพระปรับภาสะเล็กน้อยคณะแพทย์จึงได้ถวายพระโอรถปฏิชีวนะเมื่อวันที่29กันยายน2559ในวันที่1ตุลาคม2559วันนี้ไม่มีพระประลอดหรือว่าไข้การหายพระไทยเป็นปกติพระเสมหะลดลงและผลการตรวจพระโรหิตบ่งชี้ถึงการอักเสบติดเชื้อลดลง แต่พระบางคนเบายังคงมีปริมาณน้อยคณะแพทย์ได้ถวายการรักษาด้วยวิธีทดแทนไตต่อไปและเฝ้าติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดจึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวังค่ะก็เป็นพระอาการ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะที่เสด็จประทับณโรงพยาบาลสิริราชค่ะพ่อหลวงของเรานะคะคุณผู้ฟังก็ส่งกำลังใจสวดมนต์ถวายพระพรพระองค์ท่านให้หายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววหวนะคะแล้วก็จากรายการ คืนความสุขให้คนในชาตินะคะโดยท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะท่านนายกรัฐมนตรีก็เชิญชวนประชาชนร่วมรับชมสารคดีชุดสายทานพระราชมัตรีที่รัฐบาลจัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ70ปี พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีก็กล่าวผ่านรายการคืนความสุขให้คนในชาติว่าบริษัออทอสมทจำกัดมหาชนในฐานะสื่อของรัฐก็ได้จัดทาสารคดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบเจสปีชื่อชุดสายทานพระราชมัยตรี ที่นำเสนอพระราชกรณียกิจด้านการต่างประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเปิดตัวประเทศไทยต่อประชาคมโลกและเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาชาติตั้งแต่ปีพุทธศักราช2502รวมทั้งสิ้น29ประเทศทั่วโลกทั้งในทวีปเอเชียทวีปอเมริกาทวีปยุโรปและก็ทวีปออสเตรเลียนะคะเพื่อให้ประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติได้ประจักษ์ในพระอัจฉริยภาพและพระราชกริ ขอภัยค่ะและพระราชจริยวัตรอันงดงามของพระบาทสมเด็จพ ร, ระเจ้าอยู่หัวที่ส่งสร้างความประทับใจให้แก่ชาวโลกและส่งได้รับการถวายการต้อนรับจากผู้นําของแต่ละประเทศอย่างสมพระเกียรติและก็ได้สร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับนาน า, นาชาตินํามาซึ่งการแลกเปลี่ยนแบ่งปันช่วยเหลือและก็ร่วมมือกันในด้านต่างๆกับไทยมาจนถึงปัจจุบันนะคะนายกรัฐมนตรีจึงอยากจะให้คนไทยและเยาวชนคนรุ่นใหม่ ได้ชื่นชมสารคดีชุดสายทานพระราชมัตรีซึ่งจะออกอากาศให้คนไทยได้ร่วมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณจํานวน52ตอนตอนละ20นาทีนะคะคุณรู้ฟังทางทีวีดิจิทัลของบริษัทอสมทจํากัดมหาชนได้แก่ช่อง9 m c o t HD นะคะ หมายเลข30นะคะทุกวันเสาร์เวลา19นาฬิกานาทีถึง20นาฬิกาเริ่มตั้งแต่วันที่24กันยายนเป็นต้นมานะคะจนถึง16กันยายน2560นระคะคุณผู้ฟังปีหน้านะคะและก็ยังมีทาง MCOT คอร์ดแฟช่อง14นะคะทังช่อง14ทุกวันศุกร์ เวลา14นาฬิกาถึง14นาฬิกา20นาทีตั้งแต่วันที่30กันยายน2559ถึง22กันยายน2560ค่ะก็เชิญชวนคุณผู้ฟังนะฮะร่วมชื่นชมนะะในสารคดีชุดสายทานพระราชมัยตรีนะคะที่จัดทำขึ้นโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนหรือ uh. ว่าช่อง9ของเราะคฮะคุณผู้ฟังทางช่อง30และก็ช่อง14นะคะ ทั้งหมด52ตอนด้วยกันค่ะตอนละ20นาทีนะคะคุณรู้ฟังคะสำหรับรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งในวันนี้นะคะดิฉันไม่ได้มาคนเดียวนะคะคุณรู้ฟังก็วันนี้มีโอกาสได้ต้อนรับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนิรันกุลทานันนะคะซึ่งท่านเป็นอาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยรัชพัฒ์บุรีรัมะะส อ, อยู่ที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นะคะคก็ ในวันนี้ค่ะเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมยินดีนะคะกับภาพข่าวที่เห็นอยู่ที่คมชัดลึกนะคะอาจารย์นิรันด์ท่านได้รับรางวัลจากโครงการแทนคุณแผ่นดินนะคะคุณผู้ฟังก็รางวัล น, นี้ค่ะเป็นรางวัลระดับประเทศนะคะในจังหวัดหนึ่งก็จะมีคนเดียวที่ได้รับนะคะเพราะฉะนั้นอีสานของเรายีจังหวัดนะคะก็จะได้รับ20บท่านด้วยกันแลวก็ รางวัล น, นี้นี่มีความเป็นมาอย่างไรนะคะแล้วก็เขาเลือกกันอย่างไงและทำไมอาจารย์ถึงได้รับรางวัล น, นี้อาจารย์รู้ตอนไหนอย่างไงเนี่ยมาทราบ ค, คาตอบกันจากท่านอาจารย์นิรัน์กุลฐานนันกันนะคะซึ่งตอนนี้ท่านอยู่ที่ห้องส่งของสวทบุรีรัมของเราแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะครับสวัสดีครับคุณละมุนครับค่ะอาจารย์คะพูดถึงโครงการแทนคุณแผ่นดินคะ่ะ สักหน่อยนะะอาจารย์ว่าโครงการนี้เนี่ยเป็นมาอย่างไงอะไรยังไงเพราะว่าอย่างดีฉันนี่ก็ยังไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นโครงการในลักษณะไหนอะค่ะครับอโครงการรางวัลแทนคุณแผ่นดินเนี่ยนะครับก็รีเริ่มโดยในส่วนของกลุ่มบริษัทเนชั่นนะครับะนะครับร่วมในตั้งแต่ปีพศ2550นะครับ<ม>เรื่องใน วาระที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนม์พันา80ดพันษานะครับซึ่งก็เป็นที่ปลื้มปิตินะครับของประชารหานะครับเพราะฉะนั้นในในส่วนของเครือเ네นชั่นเนี่ยนะครับก็มีทั้งสถานีโทรทัศน์นะครับช่อง22ช่อง26นะครับแล้วก็มีหนังสือพิมพ์ในเครือทั้งคมชัดลึกทั้งเน네ชั่นภาษาอังกฤษนะครับหลายๆส่วนเนี่ยก็เป็นองค์กรที่ สื่อมวลชนนะครับที่ทำาทำงานมายาวนานก็เลยลิเริ่มโครงการแทนคุณแผ่นดินขึ้นมานะครับ mm hmm. เพื่อที่จะเชิดชูยกย่องให้คุณค่าแก่บุคคลที่ประกอบคุณงามความดีแก่ประเทศชาตินะครับซึ่งก็ทางเครือข่ายสื่อนี่ก็หวังว่าโครงการนี้จะมีส่วนร่วมรณรงค์เสริมสร้างให้เกิดการทำ ความดีใน ส, สังคมไทยอย่างต่อเนื่องนะครับก็ทํามาแล้วสิปีแล้วครับจนถึง ป, ปัจจุบันนี้มีผู้ที่ได้รับารางวัลแทนคุณแผ่นดินในสาขาต่างๆในจังหวัดต่างๆเนี่ยก็ทั่วประเทศเนี่ยก็ห56ท่านล่ะครับ อ, อาจายอยู่ทุกจังหวัดนะครับอย่างปีนี้ของเราก็แสดงว่ามี77คนครับเจคนเจ็บเจจังหวัดครับผ ม, มแล้วจะไปรับรางวัลเมื่อไหร่คะอาจารย์ วันวันที่10พฤศจิกายนนะครับที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศริกิตนะครับโดยก็ที่เป็นประธานในเรื่องของมาอมอบรางวัลนี่ก็คือในส่วนของศาสตราจารย์นายแพทย์กเกษมวัฒนชัยซึ่งเป็นท่านเป็นองคมนตรี จะท่านองคมนตรีครับผมอาจารย์คะแล้วของอาจารย์เนี่ยได้รับในสาขาไหนคะเขามีการแบ่งกลุ่มไหมคะอาจารย์ก็ในในในแต่ก่อนเนี่ยนะครับในในอดีตมีเขาแบ่งเป็น11สาขาวิชาชีพนะครับตั้งแต่แรกเริ่มเลยมีสาขาการศึกษาสาขาสังคมศิลปวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเกษตร อุตสาหกรร ม, ารรมสาธารณสุขการเงินธนาคารพนังงานแล้วก็คมนาคมนะครับในในช่วงแรกนะครับแต่ในช่วงหลังนี่เขาได้หลอมอเป็นทุกสาขาเนี่เขาร่วมกันนะครับว่ามอบให้คนดีในในแต่ละจังหวัดเนี่ยที่ทำกิจกรรมที่ครอบคลุมในสาขาเหล่านี้นะครับ <ừ> เพราะฉะนั้นนี่ก็ต้องมีทั้งพัฒนาสังคมนะครับช่วยเหลือชุมชนสิ่งแวดล้อมนะครับศนะิละปะวัฒนธรรมมันจะ ปนกันไปนะครับนะแ ล, แล้วแต่ว่าเด่นในแต่ละจังหวัดบางจังหวัดนี่ผลที่ได้รับเลือกอาจจะเป็นช่างศิลป์ก็ได้นะฮะที่ทอผ้าพื้นเมืองนะครับหรืออาจจะเป็นครูอสอนดนตรีพื้นบ้านอย่างเงี้ยนะครับหรือบางบางจังหวัดก็อาจจะเป็นนักวิชาการในมหาวิทยาลัยที่ทําวิจัย ก, กับชาวบ้านนะครับก็ จะมีการกระจายกันไปในแต่ละสาขาบางบางจังหวัดจะเป็นนัดอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะที่ทำงานกับชุมชนกับอนุรักษ์ป่านะครับแล้วแต่ว่าจะโดดเด่นขึ้นมาใช่ครับในใ<ช>เรื่องไหนใช่ครับก็แล้วก็อาจจะดูว่าเออคนนี้อาจจะได้รับรางวัล น, นี้มาแล้วครับแล้วก็จะดูอีกในเรื่องเกี่ยวกับาการช่วยเหลือชุมชนชพอพูดถึงตรงนี้ค่ะอาจารย์แล้วปัจจุบันนี้อาจารย์นอกจากสอนแล้วเนี่ยคือ ทำอะไรบ้างอะคะตอนตอนนี้นี่ที่ทำก็เป็นผู้ประสานงานพาขีพัฒนาอของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับซึ่งเป็นเป็นเป็นศูนย์ประสานงานที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายของหมอประเวศหมอพลเดช ท, ที่ส่วนกลางก็คือเชื่อมโยนพาคีองคกรภาคประชาสังคมต่างๆมาทำงานกับชาวบ้านนะครับนะก็ก็ทากันตอนนี้ที่ ที่ร่วมมือกับในส่วนภาครัฐอยู่ก็ทําโครงการประชารัฐนะครับแล้วร่วมกับทางจังหวัดอยู่ครับก็ถือว่าอาจารย์นี่ก้าวเข้ามาเริ่มที่จะเข้ามาในส่วนของการช่วยเหลือชุมชนในเรื่องเกี่ยวกับการประสานงานนี้ตั้งแต่ช่วงไหนคะอาจารย์ก็เริ่มมาตั้งแต่สมัยที่ซิปแหละครับกองทุนชุมชนนะครับในช่วงนั้นประเทศเราในประสบว่าภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจเมื่อปี25งพนห้าร้ิบนะครับหลังจากนั้นก็มี ทางรัฐบาลของน่าจะเป็นของคุณท่านชวนหลีกภัยเนี่ยนะครับก็เข้ามาแก้ปัญหาก็มีโครงการจัดตั้งกองทุนชุมชนเมื่อปี2พัน4 2ประมาณนั้นนะครับนะแล้วก็นำสนับสนุนง็บประมาณจากธนาคารโลกเนี่ยมาสนับสนุนโครงการชาวบ้านทั่วประเทศนะก็เพื่อกระตุ้นให้เศรษฐกิจเนี่ยได้เติบโตเข้มแข็งก็ให้ชาวบ้านรวมกลุ่มกันแล้วก็ทำกิจกรรม แล้วเราก็มาทําเป็นคณะทํางานจังหวัดนะฮะ mm hmm. สนับสนุนงบประมาณให้กับชาวบ้านโดยตรงนะ mm hmm. โดยโดยไม่ผ่านหน่วยงานรับเพราะฉะนั้นก็ยังมีโครงการศูนย์เด็กเล็กนะที่ยังอยู่นะที่ซิปยังยังทําและยังเห็นผลงานอยู่กลุม่มสนับสนุนกลุ่มสตรีในการทําเย็บจักรถักล้อยอะไรเงี้ยนะ mm hmm. สนับสนุนอุปกรณ์หรือว่าสนับสนุนในเรื่องของการทอผ้านะ mm hmm. การประกอบอาชีพต่างๆนี่ ก็ตอนนั้นมีงบประมาณลงมาที่ททีีท่่บุรีรามีเกือบสองร้อยล้านแะ้วครับกระจายไป ท, ทั่วจังหวัดฮรแล้วนั่นจะเป็นคนผลงานที่เข้ามาตอนแรกนะครับต่อมาก็จะมารีเริ่มเกี่ยวกับเรื่องของอการรณรงค์เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะ ร, ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขเนี่ย ท, ที่ที่ตอนหลังนี้พัฒนามาเป็นสมัชชาสุขภาพอือในแต่ละจังหวัดก็รณรงค์กันนะฮะกลุ่มหมอประเวศเนี่ยนะครับก็ทํา นะการรณรงค์เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพที่จะเน้นเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างนำซ่อมนะฮะตอดตะกอนอนะฮนะก็รณรงค์นะกันในชุมชนนะครับนะก็ทกก็ทำกันมานครับก็สืบเนื่องมาเรื่อยๆนะจนพัฒนาการมาเป็นการทำวิจัยเพื่อท้องถิ่นกับสกวนะฮะนำความรู้เกี่ยววิจัยมาวิเคราะห์ปัญหาชาวบ้านนะครับแล้วก็ลงไปทำในในหลายพื้นที่อย่างเช่นที่ทาเลยก็โครงการ วิจัยเกี่ยวกับเรื่องฟื้นฟูลําน้ํามูลนะฮะแถวแถวสตึกแถวแคนดงเนี่ยนะ <c oughs> แถวแถวสตึกนะฮะ <c oughs> ก, <c oughs> ก็ก็ทําวิจัยกับชาวบ้านนะฮะแล้วก็ให้ชาวบ้านได้คิดได้อะไรต่างๆ <c oughs> ก็จะขี้คลายมาเรื่อยๆนะฮะ <c oughs> แล้วก็มาทําประชาสังคมบุรีรัมนีก็ร่วมมือกับในส่วนของอหลายภาคส่วนนะครับใ น, ในการที่จะมาทําการอบรมชาวบ้านรวมทั้ง ส, สถาบันพระปกเกล้าเนี่ก็ร่วมกันนะครับในการทําศูนย์ กิจกรรมร่วมรัฐสภาประชาสชนนะฮะมาอบรมชาวบ้านเกี่ยวกับเรื่องของพลเมืองสิทธิพลเมืองคื อ, ค อ, คอการทํากิจกรรมนี้ตั้งแต่ปี242มามาโดยตลอดจนปัจจุบันเนยลยนะก็เกือบ20ปีนะก็ถือว่าเยอะมากครับครับถือว่าเยอะมากเลยนี่ยจนปัจจุบันก็มาร่วมกับในส่วนจังหวัดนะครับก็เป็นศูนย์ประสานงานทาคีพัฒนาร่วมกับจังหวัดทำ ทำประชาลัตเหรครับ อ, อก็คือเหมือนกับเป็นศูนย์เนี้ยคือทุกอย่างแล้วละ่ะมาที่ประสานงานเรื่องอะไรทุกอย่างเลยเนี่ยก็ศูนย์นี้ก็เป็นเป็นศูนย์ที่ประสานภาคประชาสังคมมาทํากิจกรรมแต่ว่าตอนนี้ก็เน้นเรื่องเรื่องประชารัฐตคือในจังหวัดเนี้ยอาจจะบ า, รบาครับ อ, ราอาจจะมีหลายเครือข่ายแต่นี้เป็นเครือข่ายหนึ่งแต่ว่าที่เชื่อมโยงกับกับส่วนกลางนะครับคือเชื่อมโยงกับในส่วนของสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา ซ, ซึ่งคุณหมอพลเดชหมอประเวศนะแล้วก็มาเชื่อมโยงกับทางจังหวัดเพราะพระกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ทำประชาลัตร่วมกับรัฐบาลนะครั บ, รบนอกจากนั้นแล้วอาจารย์ก็ยังมาเผยแพร่ความรู้ผ่านทางสวทบุริรมของ เ, อเราด้วยนครับก็ทำรายการร่วมกับสวทธันโลกทันเหตุการณ์นี้ต้องแต่ปีสองพันห้ร้อยสามสิบสามแเป็นมานะครับก็ทำมาเพราะว่า ท่านผู้อำนวยการสารุ่นนี่จะรู้ดีฮนะตั้งแต่ท่านทํางานที่นี่ก็คุยกันมาบอกตั้งแต่ท่านจนท่านมาเป็นผู้อำนวยการอนะ oh ก็เป็นกรรมการธรรมิบาลจังหวัดมาด้วยกันนะตอนนี้ uh huh. เป็นกรรมการธรรมิบา n จังหวัดนะท่านท oh ่านพ อ, อ, อสาโรนะ uh ุ่น ก, ก็ทำทำทำเลยการนี้มาเรื่อยๆนะ uh huh. ครับทันโลกทนันเหตุการณ์นะคะตั้งแต่ปี2533ครับสมโอ้โห oh กับ อยู่แสดงว่าอยู่คู่กับครูรู้ฝั่งนี้มีดิฉันเท่านั้นนะมั้งที่ไม่รู้ถ้างั้นเน่ยนะฮะในเรื่องเกี่ยวกับบทบาทการทํางานของอาจารย์อาจารย์คะงานนี้นี่คือเวลาเขาสรรหานี่เขาสรรหายังไงคะอาจารย์จะประรางวัลเนี่ยก็ไอรางวัลนี้เขามีคณะกรรมการอยู่อยู่สองชุดนะฮะมีกรรมการสรรหาเบื้องต้นก็จะประกอบไปด้วยบรรณาธิการอาวุโส บรรณาธิการข่าวภูมิภาคบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์คมชัดลึกนะฮะและของเนชั่นเนี่ยนะครับนะผู้สื่อข่าวในพื้นที่รวมทั้งหน่วยงานองค์กรมูลนิธิสมาคมทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคเนี่ยนะครับเป็นคนเสนอนะเป็นคนเสนอชื่อมาอย่างคณะกรรมาการสรรหาเบื้องต้นนะฮะคณะกรรมาการชุดนี้เขาจะตรวจสอบประวัติคุณสมบัติ นะครับว่าเข้าเกณฑ์หรือไม่นะครับแล้วก็จะส่งมาแล้วก็จะคัดให้เหลือจังหวัดละสามท่านนะฮะนะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะนำเสนอต่อคณะกรรมการกิตติประสักซึ่งมีท่านองค์คมนตรีครับท่านศาสตราจารย์นายแพทย์กเกษมวัฒนชัยเป็นประธานะนะครับในการตัดสินขั้ น, น, นสุดท้ายนะครับ ซ, ซึ่งซึ่งเกณฑ์ที่เขาจะดูก็คือ เป็นคนดีที่ได้รับการยอมรับจากสังคมนะฮะทำงานมายาวนานในพื้นที่นะฮะต่อเนื่องยาวนานนะครับแล้วก็มีการทำงานผลประโยชน์ต่อชุมชนโดยโดยไม่หวังผลตอบแทนนะครับแล้วก็มีประวัติชีวิตที่เป็นแบบอย่างนะฮะเขาต้องมีเกณฑ์ของเขาในการที่จะจะมาดูแลครับแล้วทีนี้อาจารย์คะอาจารย์รู้ตั้งแต่แรกไหมคะว่ามีการเสนอชื่ออาจารย์ขึ้นไป ไม่ไม่รู้ครับไม่รู้ oh. ไม่รู้นะไม่รู้มารู้ตอนตอนท้ายที่คัดเหลืออยู่สามคนถึงจะรู้นะรู้รู้ตอนนั้นตอนนั้นที่ตอนแรกที่เขาเริ่มเข้ามาจันทร์เริ่มรู้จากตรงไห น, นเขาเริ่มขอข้อมูลก็ก็เหลืออยู่สามคนนะถึงเขาถึงจะแจ้งมาแล้วเขาก็ขอข้อมูลเพิ่มบางบางส่วนนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะนําเสนอคณะกรรมาการชุดใหญ่ซึ่งกรรมาการชุดใหญ่นี้ ม, มีมีหลายคนที่เป็นผู้ทรงคณาวุฒินะครับ mm hmm. มีนาย มีชายวีระวิยทยะนะซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีประจําสํานัก น, กนายกนะครับแล้วก็เป็นประธานสมาคมาพัฒนาชุมชนนะครับนะครับแล้วก็มีนายแพทย์มงคลน้าสงขาซึ่งเป็นอดีตประหลักกระทรวงสาธารณสุขนะฮะนายแพทย์อัมพลจินดาวัฒนะก็เป็นอดีตคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินะ ม, มีคุณสุรพงษ์ดวงแขเป็นนักอนุรักษ์อาวุโสแล้วเป็นกรรมการองค์กรอิสระ ก็มีมีหลายคนอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นเป็นกรรมการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยนะแล้วก็เป็นรองอธิบดีกรมพัฒนาชุมชนด้วยนะอก็หลากหลายนะที่เขาเขาพิจารณากรรมการหนูอยากจะาำความรู้สึกอาจารย์ท่านตอนแรกที่เริ่มมีแบบคนโทรเข้ามาก็โทรมาไหมฮะหรือว่ามีหนังสือมาแล้วเขา โทรมาโทรเข้ามือถือตอนนั้นอาจารย์รู้สึกยังไงก็ยังแปลกใจนะฮะก็เขาโทรมาเป็ น, เ, ป น, เ, ปนเจ้าหน้าที่เขาเนะอ่อแล้วเขาก็จะแจ้งนะฮะพอแจ้งแล้วก็คุยกันแล้วเขาก็จะขอข้อมูลนะฮะนะครับ เขาก็แจ้งว่าเหลืออยู่สามท่านขอข้อมูลเพื่อที่จะไปพิจารณาไม่ใช่การแข่งขันแต่เป็นการพิจารณาโดยคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งคือชุดสุดท้ายชุดกิติมศักดิ์แล้วนะคะอาจารย์คะแล้วพอเขาแจ้งว่าเป็นอาจารย์เขาแจ้งมาก่อนไหมหรืออยู่ๆเขาตีพิมพ์เลยเพราะว่าเห็นทราบมาว่าเห็นตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ข่มฉดลึก ใช่ครับแล้วก็ตีพิมพ์ก็บอกเขาจะไปประกาศทางหน้าหนังสือพิมพ์อ๋อเขาไม่ได้โทรมาแจ้งครับแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะประกาศทางหน้าหนังสือพิมพ์เลยอาจารย์แสดงว่าต้องคอยดูตลอดเขาก็มีพักพ่วกเขาบอกนะฮะเป็นข่าวเขาบอกหรือไม่ใช่คนรู้คนแรกครับก็บบดูนเขาเขาบอกก่อนครับอาจารย์ค่ะรางวัล น, นี้นี่ถือว่าเป็นรางวัลสูงสุดไหมหรือว่าก่อนก่อนหน้านี้อาจารย์เคยได้รับรางวัลอะไรที่แบบว่าคือพักภูมิใจ ก็จริงๆก็มีนะฮะมีแต่จะเป็นเเรื่องเกี่ยวกับเรื่องคนดีสีสังคมบ้างนะครับแล้วก็ในส่วนของนักสิทธิมนุษยชนอะไรต่างๆเลยนะฮะที่ที่เป็นรางวัล ร, ระดับประเทศครับแต่ว่ารางวัล น, นี้ถือว่าถือว่า ร, ระดับใหญ่นะอันนี้ก็ระดับประเทศเ ป, ทเป็นระดับประเทศนะเพราะว่าจางังหวัดละคนนะแล้วก็เป็นเป็นที่รับรู้กัน ทั่วไปทั่วประเทศ<ช>ด้วยใช่ครับใช่ครับเพราะว่ามีการตีพิมพ์มีการประกาศถูกต้องครับแล้วรางวัล น, นี้ถือว่าเป็นรางวัลใหญ่ที่คือคือผู้คนให้การยอมรับแน่นอนครับใช่ครับ <c oughs> เพราะว่ามันมีมีพพวกหลายคนที่เป็นนักพัฒนาอาวุโสเป็นนักพยาการอาวุโสที่ได้นะหลายจังหวัดที่รู้จักกันนะ <c oughs> เ, นเช่นที่โคราชนี่ก็คุณโชคดีนะฮะ <c oughs> ซึ่งเป็นสวนลุงโชคที่วางน้ําเขียวเนะี่ย <c oughs> เป็น ที่ดูแลกระทิงที่ที่เขาใหญ่เนี่ยนะเป็นนักอนุรักษ์แล้วก็ทำํำวรรณันนกเกษตร น, น, นี่นี่รู้จักกันนะลุงโชคเนี่ย huh. ก, ก็ได้รับรางวัล น, นะที่ที่โคราชที่ลําพูนนี่ก็พักพวกกันท่านลุงจลูนคําปัญนานี่เป็นนักพัฒนาวุโส ท, uh huh. ที่ลําพูนก็ได้รับรางวัล น, นะทำงานพัฒนามาเกือบ30ปีนะทำง้นกับชาวบ้าน หลายจังหวัดรู้จักกั น, นเพราะว่าก็คือเหมือนแบบคร่ำวอดในการพัฒนาในเรื่องเกี่ยวกับโครงการเพื่อพี่น้องประชาชนเพื่อชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้านใช่ครับเพราะพวกนี้ส่วนใหญ่ทางานกับชาวบ้านยี่สิบสาสิบปีนะอออุโสแล้วอายุห้าสิบ6กสิบปีขึ้นไปอย่างอาจารย์นี้ก็ห้าสิบเจ็ดแล้วนะใช่ครับ <laughs> ใช่ครับ <laughs> ก็ถือว่า ถือว่าแสดงว่ารางวัลนี้เนี่ยคือรางวัลสูงสุดแล้วใช่ครับในในชีวิตนี้ที่ได้รับครั้งนี้โอ้โหกับรางวัลจากโครงการแทนคุณแผ่นดินปีที่10บนะคะเจท่านที่จะไปรับรางวัลในวันที่เท่าไหร่นะคะอาจารย์วันที่10พฤศจิกายนวันที่10พฤศจิกายนร่วมชื่นชมแล้วก็ยินดีกับอาจารย์เป็นอย่างยิ่งนะคะ เราโวท บ, บุรีรัมก็เหมือนครอบครัวเดียวกันครับต้องบอกว่าคือยินดีอย่างที่สุดตอนแรกที่อาจารย์โทรแจ้งมาหนูก็ไปค้นหาอาจารย์บอกว่าเนี่ยมีข้อมูลอาจารย์มีข้อมูลไหมคือจริงๆแล้วหนูไม่ไม่รู้โครงการนี้เลยครับไม่รู้จักโครงการนี้เลยคือคคอะไรอ่ะ คืออะไรคะอาจารย์ก็จะถามตลอดเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวมาคุยในราการบอกกล่าวเล่าแจ้งให้พี่น้องเราได้ชื่นชมเกือบพลาดแล้วเกือบดิฉัน<ม>เ อ, อ้ยเพราะว่าพอได้รู้ว่าอาจารย์เนี่ยอยู่กับสวทอรบราณของเรานี้ตั้งแต่ปี3ามสามพี่น้องประชาชนเราก็ต้องชื่นชมด้วยนะคะค ร, ร่วมชื่นชมร่วมยินดีกับอาจารย์นิรันดร์อาจารย์รผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนิรันดร์กุลทานัา น, านเป็นอย่างยิ่งนะคะคชื่นชมยินดีกับที่สุดของ คนที่แทนคุณแผ่นดินทํางานเพื่อแผ่นดินเพื่อพี่น้องประชาชนอาจารย์ฝากอะไรไว้นิดนึงไหมคะสําหรับการดําเนินชีวิตของพี่น้องเราเพื่อพัฒนาในงานที่อาจารย์ทำในจริงๆแล้วในส่วนของพี่น้องของ <c oughs> ชาวบ้านเนี่ยท่านมีหลักทางพุทศาสนาอยู่แล้วนะผมอยู่กับชาวบ้านเนี่ยนะชาวบ้านนี่เขาจะคนที่ เป็นตัวแบบในในหมู่บ้านนี่เขาจะรักษาศีล น, นะครับแล้วก็ใช้ชีวิตตามแนวทางพุทธศาสนาอยู่แล้วคือใช้ชีวิตละอาบายามุกนะฮะแล้วก็ขยันทำมาหากินนะฮะแล้วก็ซื่อสัตย์ดูแลครอบครัวอย่างอบอุ่นนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแนละใช้ชีวิตพอประมาณนะครับนะัก็คือใน่ฟุ่มเปือยนะครับนะัแล้วใช้ชีวิตอย่างพอเพียงแล้วก็ทำ การเกษตรบแบบแบบพอเพียงนฮ ะ, ะแบบผสมผสานแบบพอเพียงเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใช้ชีวิตอย่างพอประมาณตามแนวพระราชบัญิของในหลวงนี่ก็จะทำให้ชุมชนชาวบ้านเนี่ยอยู่ได้นะครับในในท่ามกลางสังคมที่ค่อนข้างที่จ ะ, ะ, ะสับสนวุ่นวายเนี่ยนะครับชาะว่านนีตอนตอนนี้นี่ยึดหลักของพุทธศาสนานี่จะจะร่มเย็นนะ นะมีมีวิธีการที่จะปรับตัวอย่างอย่างดีนะชาวบ้านนี่นะชุมชนถ้าช่วยกันนะครับโดยที่อาจจะมีะหน่วยราชการนะครับในส่วนขององค์กรพัฒนาภาคประชาสังคมนี่ไปเสริมเรื่ององค์ความรู้นะครับนะไปเสริมเรื่องเทคนิคเรื่ององค์ความรู้ก็จะสามารถยั่งยืนอยู่ได้แต่ว่าการจะพัฒนาชุมชนนะครับ หมู่บ้านนี้ต้องต้องใช้เวลานะครับอาจจะต้องใช้เวลา ม, ม, มันไม่เสร็จภายในปีสองปี uh huh. อาจจะต้องทําอย่างสม่ำเสมอไปเยี่ยนไปยามกันแล้วไปพูดไปคุยกันอาจจะใช้เวลา 10- บยี่ปีนะครับ uh huh. ก็ถึงจะค่อยๆดีขึ้ น, น uh huh. มันไม่ใช่รางวัลที่หนึ่งมันไม่ใช่ลอตเตอรี่เนะี่ย <c oughs> ไม่ใช่ลอตเตอรี่ครัไม่ใช่ไม่ใช่สูตรสาเร็จมันต้องใช้เวลาเราจะเห็นว่าปราชชาวบ้านแต่และท่านนี่ฝังตัวอยู่ 30- 40, 40ปีทั้ง uh huh. ชีวิตนะฮะในการที่จะทําแปลงเกษตรหรือทําศูนย์ เรียนรู้ต่างๆนะครับอืค่ะ อ, อาจารย์คะสุดท้ายจริงๆในช่วงเบรคนี้นะคะที่จะพูดคุยกับอาจารย์อยากจะฟังความรู้สึกของอาจารย์เกี่ยวกับรางวัล น, นี้ก็เเป็นความาภาคภูมิใจนะครับ ท, ท, ที่ที่ได้รับรางวัล น, นะครับ น, ะนี้นะคแล้ว ก, วก็ว่าจะทำงานกับชาวบ้านนะทำงานเพื่อเพื่อสังคม อีกต่อไปแล้วครับจนจนตราบชีวิตนะครับเพราะว่าการทำงานนี้ก็เป็นชีวิตจิตใจที่เราทำทำมาตลอดนะครับแล้วก็ยินดีที่จะช่วยเหลือพี่น้องนะทุกชุมชนนะครับนะที่ ท, ที่ที่จะมาร่วมกันในการพัฒนาบ้านของเราครับ ค่ะขอบพระคุณท่านอาจารย์นิรันต์กุทานานมากเลยนะคะที่ร่วมพูดคุยและเชื่อว่าอย่างนั้นเพราะเห็นการทำงานของอาจารย์ตั้งแต่ดีฉันมาอยู่ที่สวทบรุรีรัมเนี่ย <Okay. S 1> อาจารย์มีความสุขกับการทำงาน <Okay. S 1> ทำงานให้มีความสุขคืออาจารย์เหมือนไม่ทุกข์ไม่ร้อนอนะ่ะเหมือนแบบเออแต่ <Okay. S 1> แต่ดูแล้วงานหนักนะ <Okay. S 1> แต่อาจารย์ก็จะมาด้วยรอยยิ้มนะบอกครับสบายสบายเ็น <c oughs> <laughs> ไ, ไค่ะร่วมชื่นชม และก็ร่วมยินดีกับอาจารย์กับรางวัลโครงการแทนคุณแผ่นดินปีที่สิในครั้งนี้ด้วยนะคะคุณผฟังคะขออนุญาตที่จะปิดเบรกเพลงบปิดเบรกช่วงนี้นะคะกับรายการบอกกล่าวแจ้งด้วยเพลงนี้คะ่ะให้ทางช่างเทคนิคคุณเฉลิมวันภูเกตนะคะค้นหาเพลงนี้เอาไวค้ค่ะแทนคุณแผ่นดินนะคะ ช่วงนี้อาจารย์นิรัน์ก็คงต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะแล้วก็ช่วงหน้าหลังจากบุกเพลงแล้วก็มาพบกับดิฉันกับรายการบอกเก่าเราแจ้งต่อค่ะ บนพื้นแผ่นดินไทยจะพากไหนใช้ชีวิตอย่างร่มเย็นมาจากไหนจะสุขทุกยากลำเค็นไม่สำคัญว่าเป็นใครต้องหยุดมันสำนึกในความรักชาติศาสตร์กษัตริย์ของปวงไทยตอบแทนคุณด้วยการ ทำดีเขาไว้อยู่ไหนก็เป็นคนดีแทนทุกสิ่งที่ฉันรักมีค่านักจะปกป้องด้วยชีวีบุญนำพาทรงรักษาปฏิทินด้วยความดีรวมใจกันคุณของชาติที่เราได้อาศัยอยู่กตัญญู สุสรังแผ่นพื้นดินชาติไทยยังยืนยาวนานชั่วกับกาละปะวสา บนพืนแผ่นดินไทยจะภาคไหนใช้ชีวิตอย่างร่มเย็นมาจากไหนจะสุขทุกอยากลําเข็ญไม่สําคัญว่าเป็นใครต้องยึดมั่นสํานึกในความรักชาติ กัตริย์ของปวงไทยตอบแทนคุณด้วยการทำดีเข้าไว้อยู่ไหนก็เป็นคนดีแทนทุกสิ่งที่ฉันรักมีค่านักจะปกป้องด้วยชีวิตบุญนําพาทรงรักสากัตถะที่ด้วยความดีรวมใจกัน ทันอยสงขสรายแผ่นพื้นดินชาติไทยยังยืนยาวนานทั่วกับกันละป่าสารทุกสิ่งที่ฉันรักมีค่าน่าจะปกป้องในชีวีบุญนำพาทรงรักสถาปัตย์ด้วยความนี้รวมใจ สรางแผนพื้นดินชาติไทยยังยืนยาวนานช่วกับกาลปวสดดินแดนบรรพบุรุษเคยฮงเห จบลงไปนะคะสำหรับบทเพลงแทนคุณแผ่นดินอีฉันก็เพิ่งได้ฟังครั้งแรกไปพร้อมๆกับคุณผู้ฟังที่กำลังฟังรายการบอกกล่าวเล่าแจง้งทางคลื่น FM 101.75 ร้อยเมกะเฮิรตซ์อยู่ในขนาดนี้ล่ะค่ะคุณผู้ฟังฟังแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหมันยิ่งใหญ่มันใช่มันคือเรื่องราวที่ที่คือซาบซึ้งอะ แล้วก็ผู้ที่ได้รับรองวันนี้นะคะคุณผู้ฟังก็ถือว่าเป็นเป็นบุคคลที่น่ายกย่องจริงๆนะคะคุณผู้ฟังกับรายการบอก่าวเล่าแจ้งในวันที่3ตุลาคมค่ะเชิญ น, นคุณผู้ฟังร่วมโทรเข้ามารายงานข่าวนะคะกติกาเรามีนิดเดียวค่ะไม่พลาดพิงถึงผู้ใดทำให้เดือดร้อนนะคะสวัสดีค่ะ ว่าดกลุ่มหนครับห <Yeah. S 2> มูข้าสมเด็จขอเวลาหนึ่งนาทีเพราะต้องไปรับจ้างต่างจังหวัดสามสีวันนะครับ <c oughs> แต่วันพรุ่งนี้กับตีสุลาคมองการบริหารส่วนตำบลห้วยราชจะมอบเงินยังที่ในกับผู้สูงอายุเต็มสิปีขึ้นไปะโ <c oughs> ดยการจะมอบให้ที่ห้องประชุมประจำหมู่บ้านแต่พี่น้องคงทราบแล้วครับขอย้ําแต่เพียงว่ารับเงินแล้วใช้ใเกิดประโยชน์เพราะทุกบาททุกส ต, ตางค์นั้นเป็นเงินภาษี ที่เก็บจาพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งสิ้นนะครับเมื่อสถาบานให้เราก็ต้องใช้ให้กับกันอย่างที่ครับ mm hmm. ข่าวที่สององค์การประสานบนสมเม็จฝากมาบอกว่าวันที่สิบห้าตุลาคมนี้จะมีการประกวดการกวนข้าวทิพย์ที่วัดทสศบัติเขากระโดงตำ mm hmm. บล น, นี้มีสิบเก้าหมู่บ้านแต่กวนแข่งขันกันสิบกระทะนะครับแล้วก็มีรางวัลให้ด้วยท่านใดประสงค์จะออกงทานหรือว่า มีร่มใหม่ๆที่รับบริจาคหรืออะไรก็แลที่เป็นของขวัญแก่ผู้ไปร่วมงานได้เนี่ย <Okay. S 2> ก็ประสาน ง, งานผ่านคุณมุกชื่อจริงมนทการอําทะวงศ <Okay. S 2> ูนย์แปดเก้าแปดสี่หกสี่หกเจ็ห้าสร้างบ mm ุญ hmm. สร้างส่วนกับตำบลเสม็จแล้วก็วันที่สิบหกนี้เขามีการตักบาตรเทวพระเจดเดินจากยอดเขาหน mm ึ่งร้อยเก้าสิบเก้ารูป คุณลมุนก็อย่าลืมไปตับาตรทวุด้วย ช, ชาติหน้าศีลจะได้เพาะและก็หน้าตาจะสดใสกว่าชาตินี้ครับ uh huh. แล้วก็ข่าวสุดท้ายต้องขอขอบคุณท่านพันเอกสมภพภาระเวชรองเสนาธิการกองกําลังสวรรค์ในวันที่เดินทางไปเยี่ยมผู้บัญชาการเมื่อวานนี้กับน้ําใจของท่านที่เได้มอบให้นะครับเล็ก น, น้อยกับผู้ซึ่งยังเคารพศรัทธาในกองทัพบกและก็ น, นําเสนอข่าวนะครับ ก็ขอตอนรับท่านผู้ว่าคนใหม่ไปตอนรับท่านเมื่อวันที่หนึ่งคงจะเริ่มทำงานวันนี้สำหรับผู้ว่าของเรา <c oughs> ขอบคุณและคุณละมุนมากครับพบกันใหม่ในอีก4วันข้างหน้าสวัสดีนะครับค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> ก็ท่านจากกระท่มนางเมินท่านชอบใช้คกคำนี้นะคะคุณรู้ฟัง จากกระท่อมนางเมินนะคะที่ร่วมรายงานข่าวนะคะขอบคุณจริงๆค่ะคุณผู้ฟังคะ่ะฉันเปิดในโซเชียลนะคะบ้านเราก็มีการแจ้งเตือนกันอยู่นำมาบอกมาก่าวคุณผู้ฟังแจ้งเตือนกันเอาไว้นะคะแก๊งกะละมังนะคะต้องบอกแก๊งกะละมังแก๊งกะละมังที่แบบว่าเอากะละมังพลาสติกุถังพลาสติกอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณผู้ฟังมาแลกโทรศัพท์มือถือเก่า นะคะโดยอาจจะแบบมาขอแลกโทรศัพท์มือถือที่แบบว่ารุ่นกดๆนะคุณตาคุณยายเราใช้นะ่ะรุ่นอา ม, ม่าอเงี้ยรุ่นคนแก่ใช้ที่บ้านนะคะบอกว่ามีโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่มากอย่เงี้ยบางทีเราเขาก็บอกว่าเนี่ยต้องแลกไปพร้อมกับซิมซิมเก่าเราไม่ได้ใช้กับปิดโทรศัพท์ไปด้วยบางทีนะคะทุกวันนี้เนี่ยมันจะเริ่มคือ อย่างประเทศเราเนี่ยก็จะมีให้ลงทะเบียนซิมกันแล้วนะคะมีหมายเลขโทรศัพท์มีหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของเรานะคะเอไปเขาก็เอาไปนะคะคุณผู้ฟังอันนี้นี่คืออยู่ที่หนองบัวลาพูนะคะก็มีการจับกลุ่มกันแล้วแต่ก็คาดว่ายังคงมีแก๊ง เ, เป็นกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าเร่ขอแลกกระมังกับมือถือเก่าเนี่ย อยู่ทั่วไปและในพื้นที่เราไม่ทราบว่ามีหรื อ, อยังนะคะคุณผู้ฟังก็ระมัดระวังกันด้วยเพราะว่าอาจจะมีการนำไปก่อเหตุที่ไม่ดีนะคะเพราะว่ามันคือโทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยบางทีมันเชื่อมต่อกับาสามารถไปเชื่อมต่อกับระเบิดกับอะไรก็ได้อาจจะไปก่อความไม่สงบอย่างที่เราเห็นข่าวในภาคใต้แล้วทีนี้พอเขาเช็คขึ้นมาแล้วมันจะมี บัตรประจำตัวประชาชนของเราเข้ามาเกี่ยวข้องนี่แหละค่ะคุณผู้ฟัง <L un> เพราะฉะนั้น <L un> ก็ฝากเตือนคุณตาคุณยายเรานะคะก็ระมัดระวังกันด้วยค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอสวัสดีค่ะบ้านมีค่ะโอ้ระมัดระวังกันด้วยเนะ้ <L un> อเขาให้เด็กในหมู่บ้านเดินแล้งให้ด้วยเข้ามาเองด้วยแต่ตามความคิดของดิฉันเขาเขาว่าทัานเจดูนะ เพราเจ้านี้ยอาจจะไปถอน เ, อเงินในที่เหลือในเครื่องเลยคะ่ะโอ้มันไม่ใช่แค่นั้นนะสิคะคุณแม่คะ่ะหรอมันจะเป็นมากกว่านั้นโอนี่เห็นมาหลายรอบสามรอบเลยเนี่ยแล้วให้เด็กในบ้านหาด้วยอือฮึแลก็ได้ยินคุณพูดมาก็ความคิดก็ถูกต้องเหมือนกันนะอืมฮึเพราะว่าเพราะว่าถ้ามีคนเตือนให้ใ ห, ให้คิดดูว่าเอออาจจะจริงเหมือนเขาพูด เพราะคนเราอันมานุษย์เราอะจากคําพูดนะ ม, มีผิดมีถูกเขาจะเป็นความดีความชั่วมาเราก็ต้องคิดถ้าเราเปล่งความดีมาก็ให้วงศตะกูลถ้าแหว่งความชั่วมาก็ให้วงศตะกูลคนเรามีดีมีชั่วในตัวการพูดออกหน้าไมค์คุณทําแบบเนี้ยถูกต้องแล้วเอาวิทยุชุมชนหลักการทําอะไรก็ให้ดูแลพวกเด็กๆด้วยะอะไรเดียร์ส์เหมือนการเพลงนะคะการเพลงคลื่นคุณไม่พูดดีค่ะ เปิดดีมากน ะ, ะแต่บางคลื่น น, <ข>นะสามแง่สามง่ามนะแต่ตรงนี้ไม่รู้ใครสวจสอบนะคะตรงนี้นะก็เห็นแก่เด็กกันแล้วกันนะคะ ข, ข, ขอโชคดีพอเพียงนะคะสวัสดีค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะจทาง เครือข่ายเจ้าประจําของเราเนี่คะคือมาเสียงหวานนะคะขอบพระคุณจริงๆค่ะก็ระมัดระวังกันนะคะลูกหลานเราก็ดูกันนะคะบางทีกอ็อย่างที่จับได้นะคะก็มีการปล่อยตัวไปก็แต่ทีนี้เราก็ระมัดระวังเอาไว้เป็นการดีนะคะสวัสดีค่ะสวัคุณมนตรอเวลาสิวินาทีนะครับเ <c oughs> มื่อคืน3มวันที่ผ่านมา จักรยานยนต์เลี้ยวผ่านตัดหน้ารถกระบะที่บริเวณสามแยกเรือนจําอืำปรากฏว่าถูกชนบาดเจ็บสาหัสก็สรุปว่าเลี้ยวตัดหน้าเขาแล้วก็ไม่ยอมใส่หมวกป้องกันพิษสากลรมุนเองมันขอร้องคนขี่จักรยานยนต์นะครับดูซ้ายดูขวาแล้วก็หมวก ก, กันนอกอย่าลืมใส่ด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยออือข่าวท้ายจริงก็คือหลวงพ่อสเสวง่ยท่านฝากข่ามาว่าในวันที่สามตุลาคมนี้อยากจะยินอยู่ไปทอกรถินมหาบุญกูโจ น, นั้นยิ่งใหญ่ วัตักินาวาทุกบาททุกสตางค์นั้นจะมอบให้กับตึกสงฆ์และ ก, การซื้อเครื่องมื อ, อให้กับเวลาพระสงฆ์ป่วยก็จะได้รักษาให้ดูดีขึ้นนะครับก็บริจากระทันได้ในวันทอดหรือตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปมีสุภาพสตรีคนหนึ่งทําบุญแล้วหนึ่งล้านทราหาสกรที่ชายพระมานิมิจฉาเมื่อราษเนี่ยร่วมทําบุญแล้วสองแสนแล้วก็มีพวกอกจากแล้วก็หลายคนจะต้อง ซื้อเครื่องมือเป็นจำนวนมากกอสว23ตุลาคมนี้ครับขอบคุณมากสวัสดีครับคุณละมลค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะก็ร่วมทําบุญกันนะคะกับหลวงพ่อสแสวงหลวงตาแหวงของเรานะคะ23ตุลาคมนี้ค่ ะ, ะเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะเครื่องมือแต่ละชิ้นเนี่ย ต้องใช้เงินใช้ทรัพย์เป็นจํานวนมากเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังกับรายการประกาศเรแจ้งในช่วงเวลานี้ค่ะหมดเวลาลงแล้วนะคะขอบคุณสําหรับผู้ดูแลหอกระจายข่าวทุกพื้นที่หมู่บ้านตําบลชุมชนนะคะเครือข่ายของสวทบุริรัฐที่ร่วมรับสัญญาณจากสวทบุริรัฐนําข่าวสารสู่พี่น้องประชาชนค่ะเวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะดิฉันละมุนกระมลลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ แผ่นดินแห่งนี้นั้นมีข้าล้นด้วยเลือดของบรรพชนหลังลนรดแผ่นดินไทยจึงควรละลึก สำนึกไว้ในหัวใจบุญคุณแผ่นดินยิ่งใหญ่ต้องกระตันยู่กระตังเวทีจะชนชั้นไหนก็ไม่สำคัญคุณค่าองคนเท่าพัน้ากเรานั้นเป็นคนดีเกิดบนกองทองหรือเกิดบนกอง ทายุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา